จะมีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าความเป็นพระพุทธเจ้า Update, อีกแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละชื่อว่าเป็นผลแห่งการสร้างบารมีเพราะผลแห่งการสร้างบารมีก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้แบบย่อที่สุดเลยนะเป็นพระพุทธเจ้าไงเน Yang ี่ยนะอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าอธิบายพิสดารนะอธิบายพิสดารว่าการสร้างบารมีของพระองค์เนี่ย ก็คืออะไรคือปุบผาจิยาคุณหรือเหตุสัมปทา น, นะปุพผาจริยาคุณและเหตุสัมปทาคือการสร้างเหตุทั้งหลายนั่นเองทีนี้เมื่อการสร้างเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยนะผลแห่งการสร้างเหตอ่าผลอันนั้นคืออะไรบ้างก็คือพระสรีระคุณพระสรีระคุณสริที่งดงามในรู ป, ปกายเนี่ยนะมีอะไรบ้างรุ่งเรืองด้วยหมู่แห่งคุณไม่ใช่น้อยเช่นมหาบุริศลักษณะ32 อันนี้เห็นเลยนะในแง่ของสรีระใช่ไหมในส่วนของสรีระเนี่ยปุพพเจริาคุณคือการสร้างบารมีทาให้ได้สรีระคุณคือมหาปุริสลักษณะ3 2สิบสองประการอนุพยันชนะอีก80พระสมีอีกหนึ่งว่าเป็นต้น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 ประพฤติจริยามาแต่อดีตนี่นะไม่ว่าจะเป็นโลกตถจริยาเป็นต้นประพฤติสร้างบารมีมาในอดีตนั่นแหละทำให้สมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะ32และอนุพยัญชนะ80แล้วก็มีพระรสมีสร้างออกจากพระวรกาอีกหนึ่งวาถือว่าโดยปกติโดยปกติก็มีพร ะ, สะรสมีหนึ่งวาแล้วก็รัสมีหนึ่งวานั้นแสงสว่างแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แสงเหล่าอื่นครอบงาไม่ได้เนี่ยนะส่วน อีกอันหนึ่งว่าพระศรีระคุณเหล่านี้เนี่ยนะพระส리ระคุณเนี่ยอย่างที่เราไหว้ๆกันไปไหว้พระเจดีย์ที่นั่นที่นี่เมื่อนั่นเมื่อนี่เป็นต้นเนี่ยอันนี้เน้นเราไปเน้นว่าให้พระสีระคุณเท่านั้นนะไหว้พระธาตุพระธาตุพระเกษาธาพระโลมาธาตุพระนักนะนัขาธาตุยังไม่ได้ยินนะเล็บมืนนะก็คือมีแต่ว่าอะไรพระเกษาพระโลมาหรือว่าพระทันตนะพระธาธาเรียกว่าพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวพระฟันหรือแม้กระทั่ง อธิเนี่ยนะอธิธาตที่เราเรียกว่าสรีระธาตุอถิส่วนส่วนพระอะไรส่วนพระเศียรส่วนส่วนของหาปราส่วนแขนส่วนอกส่วนหลังส่วนข้อต่างๆทั้งหลายก็คือพระธาตุทั้งหลายนั่นเองที่เรากราบไหว้ส่วนใหญ่ก็กราบไหว้พระอะไรพระสรีระคุณเนี่ยนะแต่ว่าขอบเขตในการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะโดยมากเนี่ย โดยมากก็เน้น ค, คือเรียกว่าบูชาพระพุทธเจ้าได้ค่อนข้างแคบเนี่ยนะอย่างในยุคนี้เนี่ยเห็นเลยว่าทาพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยบูชาได้ค่อนข้างแคบที่แคบนั้น่ะเพราะศึกษาคนของพระพุทธเจ้าไม่มากเนี่ยนะหรือศึกษาแต่น้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญไม่ได้พูดว่าเอออย่าไปบูช า, าบูชายังงั้นมันได้บุญ น, น้อยไม่ได้พูดอย่างนี้แต่บอกว่ามันยังแคบไปหน่อย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 ทศพลยานเนี่ยนะทศพลยานเวสารชยานอาสาธารณายานหรือพุทธธรรม18หมวดเนี่ยนะหมวดแห่งพุทธธรรมทั้งหลายอย่างเช่นที่เราสวดพุทธกูลบอกว่าพระพักควานเนี่ยนะทรงมีส่วนแห่งสติประธานสีสัมมาประธานสี่ที่บาทสีอินทรี่ห้ปละหโพชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีส่วนแห่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัตสนะทรงมีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะอันนั้นก็คือพระ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 อันนี้ก็เป็นผลผลที่เกิดจากการสร้างบารมีเนี่ยนะเพราะว่าบารมีทั้งหมดอยู่ในส่วนทัวในครั้งคือเจริยาคุณเนี่ยนะปุบพระเจริยาคุณเหตุที่พระองค์ได้กระทํามาอย่างมากมายในอดีตทําให้มีพระสรีระเป็นที่รองรับคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะรองรับทศพลายานยานที่เป็นกําลังแห่งพระพุทธเจ้าอนะเวสารัชยานยานที่ทําให้พระองค์ถึงความ เกล้ากล้าอาหารไม่ครั้นครามอสสาธารณยานยานที่ไม่สาธารณ์ทั่วไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นเช่นอะไรอาสัยนุสัยายานอินทรียะโปรปริยัติยานมหากรุณาสมาบัติยานยามกะปฏิหาริย า, ยานสัพพัญญตยานหรืออานาวรณายานเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งพุทธธรรมธรรมสําหรับพระพุทธเจ้าอีก18หมวดเป็นต้น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 ให้สิ้นสุดลงได้ด้วยกับไม่น้อยอย่างกับกับเดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ทำอะไรเลยแสดงแต่พุทธคุณอย่างเดียวเนี่ยนะเทศพุทธคุณอย่างเดียวก็ไม่มีจบมีสิ้นอันนี้ก็เป็นผลของการสร้างบารมีอย่างที่โบราณจารย์กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ไว้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าพึงสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า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 ก็มาตั้งแต่พระคุณเจ้าเริ่มแสดงธรรมนั่นแหละว่างั้นเขาบอกโอมหาปพิธเนี่ยอดหลับอดนอนฟังธรรมทั้งคืนนี่น่าอัศจรรย์บอกโอ้นี่ไม่น่าอัศจรรย์เนี่ยนะที่ยืนฟังธรรมยืนด้วยนะไม่ได้นั่งอะไรยืนฟังธรรมตลอดคืนเสร็จแล้วบอกโอ้นี่ไม่น่าอัศจรรย์แต่ที่น่าอัศจรรย์เนี่ยนะข้าพเจ้าไม่ไม่คิดนอกเรื่องที่ท่านเทศเลยอันนี้น่าอัศจรรย์กว่าไม่ส่งจิตไปเรื่องอื่นตลอดเวลาที่ท่านที่ท่านแสดงธรรม อันนั้เพราะวันนั้นบอกพระเทเรแสดงพระพุทธคุณกล่าวคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่าพระพุทธคุณที่ท่านกล่าวเนี่ยมีเฉพาะเจ้าเท่าที่ท่านเทศนี้ใช่ไหมก็บอกไม่ไม่บอกงั้นก็บอกว่าอุปมาให้ฟังหน่อยว่าพุทธคุณที่ท่านเทศเนี่ยทั้งคืนเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่ก็บอกเหมือนกันนาพันไร่พันกรีดก็คือพันไร่หรือพัอนไร่หมื่นไร่เนี่ยนะหยิบข้าวมาหนึ่งรวงเนี่ยชื่อว่าพูดข้าวทั้งหมดใช่ไหม ที่แทศทั้งคืนเนี่ยก็เท่ากับหยิบข้ามารวงเดียวในบรรดานาพันไร่หมื่นไร่เนี่ยนะเสร็จแล้วบอกว่าเออืก็อุปมานี้ก็ไม่ประทับใจว่างั้นเถอะมันยังยังไงยังไงอยูอ่ท่านก็บอกว่านกน้อยบินในอากาศบอเออไทยอย่างนี้นะก็บอกว่านกที่มันบินในอากาศเนี่ยนะออนกที่มันบินในอากาศมันบินทั่วอากาศทั้งหมดเลยใช่ไหมนกที่มันบินบนอากาศ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 พระ อ, องค์ก็เลยอนุโมทนาว่ายกเกาะลังกาเป็นพุทธบูชาเลยนะยกแผ่นดินรีลังกาทั้งหมดอ่ะบูชาการเทศอันนั้นนะเสร็จแล้วพระก็บอกว่าถวายคืนเนี่ยไปดูแลเอาคนเดียวเหอะนะพระเทระก็ถวายคืนนะนะบอกว่าเป็นการเทศที่แพงที่สุดวันนั้นเลก็คือถวายทั้งเกาะเลยนะบอกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยถวายท่านหมดเลยอันะ น, ะนั้นในในก็กมีสมัยเรียกว่าพระเจ้าศรัท ธ, ธาติดสั พระเจ้าสัทธาติสระเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือพระราชาที่สร้างสุวรรณมาลิกาเจดีย์เนี่ยพระราชาที่สร้างสุวรรณมาลิกาองค์โตๆเนี่ยนะเจดีย์องค์โตนั่นแหละแล้วท่านเป็นตอนนี้ท่านคือว่าที่พระครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตยะเนี่ยนะเป็นว่าที่อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ถึงิงจริงๆนะอีกนานอีกหนึ่งพุทธันดรท่านก็จะได้เป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตยะเนี่ยนะ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 ท่านยังบอกว่าคําของท่านเท่านั้นเองหรืออีกสำนวนหนึ่งก็คือมเมล็ดพันธุ์ผักาดในภูเขาสิเนรุเนี่ยนะภูเขาสิเนรุเนี่ยลึกเท่าไหร่ 84%, ี่พันโยดสูงขึ้นบนพื้นดินเนี่ยสูงขึ้นไปอีก8ป0 0 0ื่นพันโยดแล้วมเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยมันจะเท่าไหรเนี่ยนะถ้าไกลๆก็มองไม่เห็นแล้วเนี่ยเมด็ดดํานิดเดียวเองนะเหมือนกับปลายผมอะเล็กแค่นั้นอะน ะ, มะเมล็ดพันธุ์ผั ก, กาดกับมเมล็ดผักขมเนี่ยก็าพอๆกันนะน่อยเดียวนิดเดียวมเมล็ดงายงใหญ่กว่าเยอะเนี่ยนะ แต่ถ้าในาอัตถคถาสัมปัสสาเนยสูตรทีขณิกายปาติกวรกเนี่ยนะที่ได้กล่าวถึงว่าในอัตถกถาที่อุปมาถึงว่าผู้ที่ยังถึงพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่ยังถึงพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยอย่างปุถุชนเนี่ยอย่างไรก็รู้พระคุณของพระพุทธเจ้าไม่เท่ากับพระโสดาบันเนี่ยนะปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่ามองเห็นพระพุทธคุณกว้างใหญ่ก็เหมือนกับดูด้วยตาแล้วก็เอานิ้วจุ่มๆเรียกว่าความรู้ในพุทธคุณอ่ะนะภาษาไทยก็พูดไม่เลยเรากว่าความรู้เท่าหางอื้องคำว่างั้นนะคือมันเล็กน้อยนิดเดียวอ่ะนะแต่ถามว่าแล้วพระโสดาบันอ่ะสั่งยังถึงพระพุทธคุณเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าใครที่มีไม้วัดหย่อนหยองยังลงในทะเลสักวาหนึ่งแค่นั้นอ่ะนะพระโสดาบันเขาเรียกว่ายัางลงสู่ทะเลได้แค่วาเดียวลึกแค่วาเดียวถามว่าทะเลลึกวาเดียวใช่ไหมบอกไม่ใช่ พระสก a t h มีก็มากกว่านั้นพระนาคามีก็ลึกไปกว่านั้นพาระอรหันต์ก็ลึกไปกว่านั้นพาระอรหันต์อย่างมากก็เท่าพาระอรหันต์ทั่วไปปกติก็ประมาณลึกประมาณร้อยวานี น, นะประมาณร้อยวาแล้วก็พระมหาสาวะพระสาวกที่ผู้ใหญ่ก็ลึกลงไปกว่านั้นอีกเป็นพันพันวาส่วนพระษาริบุตรถ้าบอกว่าลึกที่สุดก็ประมาณ 84% ดหมื่นพันโยศแต่ก็ไม่ใช่ว่าพระษาริบุตรจะอย่งทราบเชิงใน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 คือแสแวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุติญาณทัศนะแสแวงหาโพธิปักยธรรมสติปัฏฐานเป็นต้นตรัสไว้แล้วว่าเราได้เสวยทุกและเสวยสมบัติมากมายหลายอย่างก็คือเสวยทั้งทุกเสวยทั้งความสุขมากมายในพบน้อยพบใหญ่ตามที่กล่าวแล้ว น, นะยกตัวอย่างเช่นในจริยาปิดกาที่อื่นก็ในชาดกหรือถ้าในพุทธวงศ์เป็นต้นเนี่ยนะ